ห้าร้อยปีก่อนนะมีศิลปินคนหนึ่งนะที่จัดว่าอยู่ในร ะ, ะดับเทพเลยทีเดียวนั่นคือม i c h a อ l เจโรซึ่งทุกวันนี้ก็ยังได้รับคำยกย่องว่ามีผลงานที่เป็นอมตะตัวมคโกเอ็เจโรนี่เป็นศิลปินร ะ, ะดับเทพหลายสาขา ทางจิตกรรมแล้วก็ปฏติมา ก, กรรมที่เขาเป็นที่รู้จักครั้งแรกนี้ก็ในฐานะที่เป็นปฏติมากรหรือว่าช่างแกะสลักนะผลงานที่ทำให้เขามีชื่อเสียงนะตั้งแต่อย่างหนุ่มอายุยี่ิบกปีก็คือดาวิดนะดาวิดนี่ก็เป็นผลงาน จากการแกะสลักของไมเคิลเจโรซึ่งคนสมัยนั้นนี่ก็พอเห็นครั้งแรกก็เรียกว่ามีความทึ่งมีความอัศจรรย์มากเพราะว่างานชิ้นนี้เนี่ยทั้งใหญ่นะทั้งสูงนะหามเมตรแต่ก็มีความประณีตและงดงามมากเส้นเลือดหรือว่าเส้นเอ็นเนี่ย มันเคยจะเลกแกะสลักได้เหมือนจริงเลยนะมื่อเขามีชีวิตเลยตัอต้องกล้ามเนื้อทุกส่วนก็มีคนนะพิสูจ์ในผลงานชิ้นนี้ของเขามากซึ่งที่จริงเนี่ยมันยังมีตามมาอีกหลายชิ้นนะที่อยู่ในระดับขั้นเทพนะ แต่ว่าดาวินี่ก็เป็นผลงานที่ทำให้มเคลจ์โล่เป็นที่รู้จักตั้งแต่ยังหนุ่มนะก็มีคนถามมาเคลนจ์โล่ว่าเนี่ยเขามีเคล็ดลับอย่างไรในการแกะสลักให้เกิดผลงานที่งดงามขนาดนี้มเคลจ์โล่ก็ ต่อแบบเรียกว่าห้านหวนสั้นๆนะว่าผมก็เพียงแต่สกัดเอาส่วนที่ไม่ใช่ดาวิดออกไปจากหินอ่อนก็เท่านั้นแหละหินอ่อนที่เขานำมาแกะสลักเนี่ยมันเป็นหินอ่อนที่ถูกคนทิ้งแล้วนะ ทิ้งมา40ปีเพราะว่ามีช่างมาพยายามปลุกปล่ำกับหินอ่อนก้อนนี้ทำมาแล้วสองคนไม่สำเร็จเยั น, นสิ่งที่เหลือมก็เป็นหินอ่อนที่เรียกว่าค่อนข้างจะผิดรูปมันไม่ใช่วัตถุ ด, ดิบที่เหมาะกับการจะมาสร้างผลงาน ที่เลิศ เ, เลยแต่ว่าสําหรับมาเฟินจอโลนี่มันไม่ใช่เรื่องยากเลยเพราะว่าเขาเพียงแต่สกัดเอาส่วนที่ไม่ใช่ดาวิดออกไปแล้วส่วนที่เหลือก็คือดาวิดนะที่เหมือนกับมีชื่อชิวา่าในศิล ป, ปะในการแกะสลักขอ้านี่เจ้าท่าว่าไปแล้วมันก็ไม่ตายจากศิล ป, ปะ ในการดำเนินชีวิตนะคนเราแต่ละคนนี่จะว่าไปานี่มันก็เหมือนกับปฏิมากรนนะีคือเราก็มีหน้าที่สลักสล่าชีวิตสลักสร้างให้เกิดชีวิตที่งดงามและสิ่งที่เรา ควณจะถามคือว่าสลัดหรือสลักเอาสิ่งที่มันไม่จำเป็นออกไปจากชีวิตถ้าเราเอาสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือไม่ใช่สาระสำคัญของชีวิตออกไปผลงานที่ปรากฏก็คือชีวิตที่งดงามก็ไม่ต่างจากภาพแกะสลักที่งดงามจากฝีมือของมาเคิลโจโล ชีวิตที่งดงามมันเกิดขึ้นได้จากการสลักหรือสกัดเอาส่วนที่ไม่สวยงามหรือว่าส่วนที่ไม่ใช่สิ่งสำคัญของชีวิตออกไปนะอันนี้ถ้าจะว่าไปแล้วมันก็เป็นแนวคิดเดียว ก, กันกับพุทธศาสนานะเพราะว่าพุทธศาสนามองว่าชีวิตที่ ดีงามเนี่ยชีวิตในองคติเนี่ยก็คือชีวิตที่พึ่งพาสิ่งต่างๆน้อยที่สุดแม้จะมีสิ่งจำเป็นที่รว่าปัจจัยในการยังชีพแต่ถ้าว่าเรามีให้น้อยที่สุดเนี่ยอันนี้ก็ถือเป็นความเป็นเครื่องวัดความก้าวหน้าของชีวิต อย่างพระเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นตัวชายของชีวิตอุดมคติซึ่งก็อยู่ได้ด้วยบริขาร8อัฐบริขารอันนี้จะว่าไปมันก็เป็นอุดมคตินะแต่ว่าอุดงคติมันก็มีไว้เพื่อให้เราได้เพียนพยายามไม่เข้าถึงแม้ว่าเราจะยังไปไม่ถึง ชีวิตที่ดีงามคือชีวิตที่สลักหรือสกัดเอาสิ่งที่ไม่จาเป็นออกไปหรือผู้ยางคือก็คือว่ามีให้น้อยลงไปเรื่อยๆอันนี้มันต่างจากความเข้าใจของคนสมัยใหม่นะที่ว่าชีวิตที่ดีชีวิตที่ปรารถนาคือชีวิตที่ต้องมีเยอะๆยิ่งมีมากเท่าไหร่สะสมมากเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นชีวิตที่ประสบความสำเร็จ เป็นชีวิตที่น่าเอาเยี่ยงอย่างทุกวันนี้คนก็เลยพยายามสะสมสแสดงหาให้ได้มากที่สุดแล้วก็มาแข่งกันถ้าใครมีมากกว่าก็ถือว่าประสบความสาเร็จในชีวิตมากกว่าพ่อแม่ก็ดูั้ยดูนะว่าลูกคนไหนมีเงินเดือนมากกว่า มีรายได้มากกว่าใครที่มีมากกว่าก็ถือว่าลูกคนนั้นประสบความสาเร็จถ้ามีน้อยก็ถือว่าไม่ประสบความสาเร็จนีเน่เป็นเครื่องหมายในการวัดชีวิตที่พึงปรารถนานะในสายตาของโลกจุปัจจุบันรเรียกว่าเป็นมาตรฐานของ ชาวโลกก็นเแต่ในทางธรรมเนี่ยสิ่งที่จะวัดความเจริญก้าวหน้าของชีวิตหรือความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมก็คือว่ามีน้อยลงไปเรื่อยๆมีน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยท่านจึงเน้นเรื่องการให้ทาน การให้ทานนี่ก็เป็นการสลัดวัตถุสิ่งของทรัพสมบัติออกไปจชิญน้อยเชิญน้อยจริงเนี่ยเป้าหมายคือว่าให้เราเนี่ยพึ่งพาสิ่งเหล่านี้ให้น้อยที่สุดพึ่งพาในที่นี้มาถึงเอาความสุขไปผูกพันเอาความสุขไปผูกติดอยู่กับวัตถุให้ให้น้อยที่สุด ธรรมชาติคนเราเนี่ยก็ไม่ไม่ก็ต้องอาศัยความสุขจากวัตถุไม่ใช่แค่ปัจจัยสี่แต่ว่ารวมถึงสิ่งเสษเงินทองที่ผู้คนอยากจะมีมากๆนี่ก็เพราะเห็นว่ายิ่งมีมากเท่าไหร่ก็มีความสุขมากเท่า น, นั้นแต่ความสุขแบบนี้เนี่ยมันเป็นความสุขที่เปราะบางผลก็คือว่ามีเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอ เพรจริงๆแล้วเนี่ยความสุขไม่ไม่ใช่ที่มีมากเท่ากการมากทากับความคาดหวังแม้จะมีพันล้านแต่ก็ไม่มีความสุขถ้าหวังหรือปรารถนาหมื่นล้านแต่ถ้าว่าปรารถนาน้อยคาดหวังน้อยมันก็มีความสุขได้ง่าย คนเราเนี่ยคนที่ยังไม่ได้พัฒนาด้านจิตใจเนี่ยก็จะเอาความสุขไปผูกติดกับวัตถุเงินทองเพชรพลอยบ้านที่ดินจำนวนหุ้นในธนาคารในในในบริษัทหรือจำนวนเงินในธนาคารยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็มีความสุขแต่ว่ามันก็เจอไปด้วยทุกข์ มันไม่ใช่เป็นที่หมายความสุขอย่างแท้จริงตอเมื่อเราสามารถจะเข้าถึงความสุขที่ไม่อิงวัตถุได้เนี่ยก็ถือว่ามีความก้าวหน้าในทางธรรมอีกระดับหนึ่งท่านคนที่สามารถจะเข้าถึงความสุข ทางจิตใจนะเช่นความสุขจากความสงบความสุขจากความรู้จักพอเนี่ยเขาก็จะพึ่งพาวัตถุสิ่งเสพน้อยลงไปเรื่อยๆซึ่งหมายถึงว่าเป็นอิสระนะจากวัตถุสิ่งเเสพเพราะนั้นเนี่ยท่านจึงสอนให้นะรู้จักสละ เริ่มจากการให้ทานให้ทานเนี่ยไม่ใช่เพื่อสละสิ่งของเท่านั้นนะแต่ว่ายัางเพื่อลดความยึดติดถือมั่นในสิ่งของลดความยึดติดถือมั่นในของกูของกูเพราะธรรมดาคนเราก็ยิ่งมีคนเราก็ย่อมมีความผูกพันนะกับวัตถุสิ่งของที่มีมีมากเท่าไหร่ก็ผูกพันหรือว่ายึดติดมากเท่านั้น แต่ถ้าว่าเรารู้จักสละออกไปด้วยการให้ทานมันก็จะช่วยลดความยึดติดถือมั่นอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยอันที่สงการให้ทานคือการลดความตันหนีในหม่ๆก็ให้ทานนะก็เพื่อลดความยึดติดถือมั่นแต่ต่อไปก็จะพบว่าถ้ามันมีความสุข ที่ดีกว่าการเสพหรือการมีการได้ น, ะนั่นคือความสุขจากความรู้จักพอเนี่ยนอกจากการให้ทานแล้วท่านก็สอนให้รู้จักมีสันโดษสนดันโดษคือความพอใจในสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้รวมทั้งพอใจยินดีในเชีวที่เรียบง่ายทุกจ่าแต่ว่าเนี่ยสันโดษเนี่ยเป็นทรัพย์อย่างยิ่งนใครที่มีสันโดษก็ถือว่าเป็นคนรวยเพราะว่า รู้จักพอเมื่อรู้จักพอเนี่ยมันก็ไม่เกิดความพร่องนคนที่แม้จะมีเยอะแต่ยังอยากได้มากเพราะคาดหวังสูงก็เกิดความพร่องเกิดความพร่องก็มันก็เป็นคนยากจนนั้นในการที่จะฝึกฝึกจิตหรือพัฒนาชีวิตของตนเนี่ย สิ่งหนึ่งที่เราจะวัดว่ามีความก้าวหน้าหรือไม่ก็คือนะเรามีหรือเราพึ่งพาวัตถุสิ่งเสพน้อยลงอันนี้ไม่แด่หมายความว่ามีไม่ได้นะบางท่านอาจจะมีแต่ว่าไม่ยึดอาจจะมีมากด้วยนะแต่ว่าไม่ยึดอย่างพระสุภรีเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเอตทักฆะซึ่งมีลาบมากนะ แต่ว่าท่านไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของท่านมีก็ให้มีก็สละมีก็เผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้อื่นให้การมีแต่ไม่ยึดเนี่ยป็นเรื่องสำคัญนะซึ่งเราก็ต้องอาศัยการที่รู้จักสละ หรือลดความยึดติดถือมั่นในวัตถุสิ่งของสมัยรัชกาลที่สีเนี่ยนะพระที่มีชื่อนะองค์หนึ่งคือหลวงพ่อโตนหลวงพ่อโตนี่ท่านมีเกตที่หลายคนพูดถึงมากมาย ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่แสดงถึงคุณธรรมของท่านแล้วก็เป็นแบบอย่างของชีวิตที่เราพึงเจริญรอยตามอย่างนี้เื่ามาคำหนึ่งท่านไปไปเทศที่ต่างจังหวัดนะก็ชาวบ้านนี่ก็ถวายการเทศมาเยอะเลยเต็มลำเรือเลยแต่ว่าเนื่องจาก กว่าจะถึงวัดกรั้งเนี่ยก็ต้องค้างคืนที่กลางทางระหว่างที่ผมกโตจำวัดอยู่ในเรือก็มีโจรเนี่ยนะพายเรือมาตั้งใจจะมาขโมยเอากันเทศอ่าที่หลวงพ่อท่านได้รับ ก็ระหว่างที่กําลังขนกันเทศเช่นเสือเนี่ยขึ้นเรือของตัวเนี่ยพอหลวงพ่อท่านเกิดตื่นขึ้นมาไอโจนี่พอรู้หลวงพ่อตื่นก็รีบพายเรือหนีหลวงพ่อท่านเห็นแล้วก็บอกว่าเอาเสือไปแล้วเอามอนไปด้วยโยนหมอนไปให้โจนเลยไอโจนี่พอรู้ว่าอ่าหลวงพ่อ ไม่หวงหมอนนะก็รีบพายเรือกลับมารับหมอนนะแล้วก็คงจะเอ า, อาข้าวของอย่างอื่นไปอีกด้วยนะจู่หลวงพ่อนี่ท่านมีท่านได้มาแต่ว่าท่านไม่หยุดนะโจรจะมาเอาท่านก็ไม่หวงก็ถือว่าให้เข้าไปเลยนะมันจะได้ไม่ต้องอผิดสิ่ข้อที่สอง อันนี้ก็ียกว่าใจนี่ไม่ได้มีความยึดมั่นถือมั่นนะกับวัตถุสิ่งของที่มีไม่เช่ามีไม่ได้นะแต่มีโดยไม่ยึดนะซึ่งอันนี้ก็หมายถึงว่านอกจากรู้จักสลัสิ่งของแล้วเนี่ยที่ทำไงคือรู้จักลดละหรือว่าสลัดไอ้ความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุสิ่งของโดยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ ในการสละหรือสละสิ่งภายนอกเนี่ยอันนี้ไม่สําคัญเท่ากับว่าสิ่งที่อยู่ภายในอันนี้กิความยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์หรือว่ายึดมั่นถือมั่นในเกียรติยศชื่อเสียงนะธรรมดาคนเราเนี่ยมันก็เมื่ออยู่ในโลกเนี่ยก็ต้อง เจอโลกธรรมนะก็คือว่าได้ลาบได้ยศแต่ว่าถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นรู้จักสละหรือปล่อยวางเนี่ยมันก็ทำให้ในชีวิตเนี่ยมีความสุขความสงบได้ง่ายอย่างหลวงปู่โตเนี่ยท่านนอกจากจะได้ลาบมากแล้วเนี่ยสักการะท่านก็ได้ไม่น้อยนะ ได้รับสมณศักดิ์เป็นสมเด็จเลยทีเดียวนะสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารยนะ์ซึ่งเรียกว่าสูงมาก้มีเรื่องเล่าว่าความงท่านได้รับนิมิตไปเทศแถวสวนแห่งหนึ่งในราชบุรณะซึ่งต้องเข้าทางคลองเล็กนะท่านก็ น, นั่งเรือนะเรือสำปั้นเรือเล็กๆมีลูกศิษย์พนะายเรือ งานนั้นก็เป็นงานสำคัญนะท่านก็เลยเอาพัดยศไปด้วยบอกว่าวันนั้นเนี่ยน้ามันลดคลองแห้งเรือพายไปไม่ได้ก็ต้องเข็นเรือที่แรกก็ลูกศิษย์เข็นเรือแต่ว่าตอนลังลูกศิษย์เข็นไม่ไหวเรือไม่ค่อยไปหลวงพ่อโตก็เลยลงมาเข็นเรือด้วยชาว บ, บ้านที่อยู่ริมฝั่งเนี่ยดินคลองเนี่ยเห็นหลวงพ่อโตเข็นเรือก็ตะโกนว่า สมเด็จเข็เือว้ยสมเด็จเข็เือว้ยเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นนะหลวงพ่อโตท่านก็พูดตอบกลับไปว่าฉันไม่ใช่สมเด็จจ่ะฉันชื่อโกรธโตจ่ะนะสมเด็จท่านอยู่ในเรือแล้วก็ชี้ไปที่พัดยศนี่ยแล้วชาวบ้านก็ลงมาช่วยเข็นเรือ อันนี้ก็จะเห็นนะว่าหลวงพ่อโตเนี่ยแม้ท่านได้รับสมณศักดิ์เป็นสมเด็จแต่ท่านไม่ได้ยึดนะท่านวางท่านปล่อยนะท่านสละความยึดมั่นนะในในในยศในสมณศักดิ์ซึ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญนะสลัดสิ่งภายนอกเนี่ยมันจะไม่สําคัญเท่ากับสลัดสิ่งภายใน ความยึดตั้นถือมั่นในในยศในทรัพย์พอถ้าหากว่าไม่รู้จักสลัดหรือวางเนี่ยยังมีความยึดมั่นอยู่เนี่ยมันก็ทุกได้ง่ายนะเพราะว่าเมื่อได้ยศมันก็ต้องมีวันเสื่อมยศเมื่อได้ลาบก็มีวันเสื่อมลาบและถ้ายังยึดในยศในทรัพย์ในลาบเนี่ย พอถึงคราที่ต้องเสื่อมต้องเสียไปก็จะต้องทุกข์เศร้าโศกเสียใจนั้นชีวิตของจิตใจผู้ที่มีปัญญาเขาก็มุ่งที่จะปล่อยวางหรือสลักให้ความยึดมั่นถือมัน่นในในทรัพย์ในยศแต่ก่อยถึงตรง น, นั้นได้เนี่ยตนต้องรู้จักนะ สลัดหรือสกัดเอาสิ่งที่มันไม่เป็นกุศลในใจออกไปสิ่งที่ทําความทุกข์ให้กับจิตใจชเช่นความคิดความคิดลบคิดร้ายความคิดปรุงแต่งหรืออารมณ์ต่างๆให้คนเรานี่มันก็ทุกข์เพราะความคิดและอารมณ์ต่างๆนี่แหละอย่างที่เคยพูดอยู่เสมอเราทุกข์เพราะความคิด ความคิดมันก็นําไปสู่อารมณ์ที่เป็นอกุศลแต่จริงแล้วเนี่ยเราไม่ได้ทุกข์เพราะความคิดแต่เราทุกเพราะเราไม่รู้ทันความคิดเป็นพวกเราทุกเพราะว่าเราไปหลงยึดความคิดเราไม่ได้ทุกข์เพราะอารมณ์แต่เป็นเพราะเราไปหลงยึดในอารมณ์ว่าเป็นเราเป็นของเราแต่ถ้าเรารู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักสลัดหรือวางความคิดและอารมณ์ต่างๆออกไปจากใจ มันก็ช่วยทำให้จิตใจเราพบความสงบเย็นได้ง่ายและมันช่วยทำให้เราเมีสติมากพอที่จะสลัหรือสลัดให้ความยึดติดถือมั่นนะซึ่งจะว่าไปมันก็คือกิเลสอย่างหนึ่งนะไม่จะเป็นความโลภไม่จะเป็นความโกรธซึ่งเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นใน ตัวตนที่จริงแล้วเนี่ยการที่เราจะสลัดอะไรเนี่ยนะมันก็ไม่สําคัญเท่ากับสลัดความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนี่แหละทายัยางไงถ้าพูดแบบชาวบ้านคือทำยังไงจะให้ตัวกูมันเบาบางทําไงจะให้ให้หัดตามันเบาบางทําให้กิเลสเบาบาง ในชีวิตเราเนี่ยมันก็เหมือนกับปฏิมากนตรงนี้แหละก็คือว่าสากัดสิ่งเหล่านี้ให้มันเหลือน้อยที่สุดสกัดมันออกไปเพราะมันไม่เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตมันเป็นอุปสรรคต่อความสุขด้วยซ้าถ้าเราสลัดหรือสกัดมันออกไปมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆความยึดติดถือมั่นในในทรัพย์ความยึดติดถือมั่นใ น, ในยศความยึดติดถือมันนมอม่นในตัวกูเนี่ย มันก็จะได้ชีวิตที่เจริญชีวิตที่งดงามมากขึ้นเรื่อยๆและที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะทำให้คนเราทุกข์มากไปกว่าความยึดติดถือมั่นในในตัวตนนะคือความยึดว่ามีกูนะเรียกว่าอัตวะทุปปาทานความยึดติดถือมั่นในทรัพ ส, สมบัติสิ่งของนี่ก็ยังไม่เท่าไหรนะ่การมุปาทานความยึดติดใน ความคิดความเห็นนะที่ถูกปาทานก็ยังไม่หนักเท่ากับอัตตวาทุปาทานนะคือยึดติดว่ามีตัวกูของกูลและถ้าว่าเราไม่รู้จักสลัดหรือสกัดไอสิ่งนี้ออกไปจากใจเนี่ยก็เท่ากับว่ามีความทุกข์นะรอเราอยู่ข้างหน้าและสิ่งที่รออยู่รอรอเราอยู่ข้างหน้าอย่างแน่นอนนะก็คือความตายนะ เมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องตายเนี่ยมีเท่าไหร่ก็หมดนะมันคือความหมดตัวอย่างแท้จริงหมดตัวที่ใครๆพูดกันเนี่ยเช่นเล่นไพ่เล่นการพนันจนหมดตัวไฟไหม้จนหมดตัวจริงๆมันยังไม่เท่ากับหมดตัวตอนที่ตอนที่ตายนะเพราะว่าไม่ว่ามีเท่าไหร่ก็หมดนะไม่ใช่แค่เงินทองแต่รวมไปถึงคนรัก รวมถึงลมหายใจมันไม่มีอะไรที่จะหมดตัวหนักเท่ากับตอนที่ตายแล้วเมื่อเรารู้ว่าอะไรต้องหมดตัวแน่เนี่ยมันจะไม่ดีกว่าหรือทว่าเราเรียนรู้ที่จะปล่อยไปทีละอย่างทีละอย่า ง, ลางปล่อยไปเรื่อยๆปล่อยนี่คือปล่อยวางปล่อยวางทั้งสิ่งที่มีอยู่ข้างนอกแล้วก็สิ่งที่มีอยู่ข้างในโดยเฉพาะความยึด ในตัวกูเนี่ยอาจารย์พุทธายันบอกว่าเนี่ยให้ฝึกไว้นะตายก่อนตายฝึกเอาไว้เพราะถ้าไม่ตายก่อนตายเนี่ยถึงเวลาตายจริงๆนี่มันทุกข์มากเลยเพราะว่าตายตัวแรกหมายว่าตัวกูมันตา ย, ยซึ่งก็หมายความว่าความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูเนี่ยมันมันหมดไปอันนี้เรียกว่ามันเป็น ภารกิจนะของชีวิตของเราทีเดียวนะในธาตุชาพุทธเนี่ยคือการทําให้ตัวกูเนี่ยหรือความยึดในตัวกูมันเบาบางไปเรื่อยๆเบาบางไปเรื่อยๆจนต้อทั่งถ้าให้เหลือเลยยิ่งดีอันนี้ก็เปลี่ยนมาจากการสลักสเล่านะสกัดเอาสิ่งที่มันไม่ใช่สาระสําคัญของชีวิตนะสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปเพราะถ้าเราไม่ทำเนี่ยถ้าเราไม่ สลัดหรือละวางความยึดมั่นถือมัน่นอย่าว่าแต่ยึดมั่นในตัวกูของกูลเลยที่เป็นอัตวาทุ ป, ปาทฐานเนี่ยแม้กระทั่งความยึดมั่นในทรัพย์ความยึดมั่นในสิ่งของต่างๆเนี่ยถึงเวลาตายมันทรมานมากเพราะมันยอมรับความสูญเสียมันยอมรับการที่ต้องจากครากสิ่งเหล่านั้นไปไม่ได้ น้อยเนี่ยถ้าเราลึกได้ตระหนักว่าเมื่อถึงวันที่เราต้องตายเราต้องหมดตัวอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องฝึกปล่อยฝึกวางฝึกสละตั้งแต่ตอนนี้แต่จริงเนี่ยถ้าว่าคําั้งแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะไปมีความสงบในวันสุดท้ายนะแต่ว่าทําตอนนี้ก็พบกับความสงบความโปร่งเบาในเวลานี้ไม่ต้องไปรอ ถึงตอนที่จะหมดลมแต่ว่าความสงบตอนที่จะหมดลมนี่มันก็เป็นหลักประกันนะมันเป็นสิ่งที่แน่นอนเลยนะถ้าว่าเรารู้จักสลัดรู้จักวางสิ่งต่างๆออกไปจากใจให้มากที่สุดฉะนั้นจึงบอกว่าเนี่ยชีวิตที่ตึงปัตถนาหรือือชีวิที่เป็นดวงกติในพุทธศาสนาเนี่ยคือชีวิตที่มีให้น้อยปล่อยวางให้มาก นะสลัดออกไปจากใจให้ได้มากที่สุดนะนะซึ่งจะว่าแบบก็เป็นเครื่องวัดนะความกา้าวในการปฏิบัติดีนะว่าเ้ยเราปฏิบัติม่ได้เนี่ยเราความโลภน้อยลงไหมความเมกันตัวน้อยลงไหมความโกรดน้อยลงไหมความยึดมั่นถือมั่นในหน้าตาในทรัพสมบัติมีน้อยลงหรือเปล่าหรนะือพูดอย่างถึงที่สุดว่า ในความยึดมั่นในตัวกูเนี่ยมันน้อยลงไหมถ้าไม่น้อยลงเนี่ยถึงแมาจะเข้าวัดบ่อยทำบุญเยอะมันก็ยังไม่เด้ว่าเป็นมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติเราก็ยังเดียไม่ได้ว่าได้เข้าถึงชีวิตที่พึงปรารถนาในทัศนาของชาวพุทธ